บทที่18ระลึกชาติแพทย์หญิงมาวันทาเดินไปยังเพิงขายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแห่งหนึ่งที่เห็นแวบๆ ว, ว่ามีกระจกเงากรอบเปลือกหอยวางขายอยู่หล่อนเลือกซื้อบานใหญ่สุดขนาดสูงเกือบหนึ่งฟุตมายื่นให้ลานดาวดูหน้าสาวสวยซะลานดาวรับกระจกมาถือส่องเงาตนเองด้วยใจที่เต้นแรงขึ้นความรู้สึกจากแกนแท้ยามนี้ช่างประหลาดนักเสมือนถูกบังคับให้เชื่อว่า หล่อนคือใครอีกคนในกระจกเงาหากหล่อนเป็นเจ้าของใบหน้านั้นอย่างแท้จริงเหตุใดจึงไม่อาจระลึกได้เองต้องพึ่งกระจกเสียก่อนส่องสองเงาไปชักคุ้นเหมือนยอมรับว่าถ้าคนเราต้องมีใบหน้าหล่อนก็ควรจะเป็นอย่างที่เห็นในกระจกนี่แหละดีใจที่ตนเป็นสาวสวยยังมาวรนทาว่าไว้จริงๆแม้ไม่อาจทราบต้นสายปลายเหตุว่าได้ความสวยมาแต่ไหนใครกําหนดแต่หันซ้ายหันขวาเล็งแ ล, แ, ลแล้วหลงเงาปลื้มใจที่ใบหน้านั้นเป็นของตนก็แล้วกัน มาวันทาต้องจัดแจงเป็นทูร่เจรจากับเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันให้โดยเล่าตามจริงว่าลานดาวช็อกและสูญเสียความทรงจำชั่วคราวไม่อยู่ในสภาพพร้อมให้ลายเซ็นคงต้องประทับลายนิ้วมืออย่างเดียวไปก่อนยังดีที่ในกระเป๋าสตางค์ของลานดาวครบทั้งใบขับขี่และบัตรประชาชนพร้อมมิฉะนั้นเรื่องคงยุ่งยากขึ้นอักโขนานมากกว่าทุกอย่างจะลงเ อ, อ่ยเรียบร้อยทุกคนขึ้นรถของนายแพทย์อมริด โดยเขาแนะนําให้มาวรนทานั่งหลังกับลานดาวและชวนพูดคุยเรื่องต่างๆ ต, ต, ตามปกติเสมือนสนทนาประสาพี่น้องแบบที่ผ่านมาไม่ต้องพยายามหรือฟื้นหรือเข้นความจําด้วยเรื่องราวใดเป็นพิเศษเพียงบอกให้ลานดาวเรียกตัวเองว่าจ๊ะเรียกหล่อนว่าพี่เอิญบ่อยๆก็เป็นการเพียงพอแล้วความคุ้นเคยจะเรียกความจํากลับมาได้เร็วกว่าวิธียัดเยียดข้อมูลมาวรนทานทำตามคําแนะนําพยายามไม่คิดว่าน้องสาวความจําเสื่อมชวนคุยโน่นคุยนี่เรื่อยเปยื่อย เรื่องไหนเห็นท่าทางลานดาวคุ้นก็พูดเรื่องนั้นนานหน่อยเรื่องไหนเห็นท่าว่าเป็นชนวนให้เข็นความจำมากเกินเหตุก็หยุดล่อนสังเกตด้วยว่าแม้สับแสงและรูปประโยคบางแบบก็ไม่เป็นที่เข้าใจคล้ายลานดาวมีโรคปัญญาอ่อนเข้าแทรกอยู่ด้วยแต่อเมริกก็อธิบายว่านั่นเป็นเพราะลานดาวกำลังตระนกและควรหายอีกทั้งไม่รู้จะคิดเรื่องอะไรจึงเหมือลอยบ่อยหากรวบรวมกำลังใจเข้าที่เข้าทางได้ทำลายกำแพงความว่างวายภายในโรงสำเร็จ ความรับรู้ความจําเชาวปฏิพานตลอดจนกระทั่งนิสัยเก่าก็จะกลับมาเองมีเสียงคนสนิทเข้าหูพักเดียวพอบางทีเห็นหน้าซึมจอยของน้องแล้วก็ยิ้มมุมปากอยากแซวว่าเป็นไงทําตลกไม่ออกแล้วละสิโดนริบความจําทีเดียวที่เคยทําไข่หูชูคอดือ้อที่ชอบพยศเป็นนางหมาป่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นยายจ่องไปแล้วมองไปมองมาเผลอหัวเราะขำจึงต้องเสยหยิบผ้าโคมพัดที่ลานดาวซื้อฝากแม่ออกมากลางแล้วชมว่า เธอเลือกเก่งนะอย่างนี้แม่คงหายโกรธสนิทที่แอบหนีมาเที่ยวกับพี่ลานดาวมองผ้าในมือมาวันทางงงแววตาฟ้องว่าระลึกอะไรไม่ได้แม้แต่น้อยเอิอร์นอมาลิททักคะคาเพียงบางคําถ้าไม่ตรงไปตรงมาก็ชะลอการระลึกได้เหมือนกันนะยังไงคะน้องจะไม่ได้หนีมาเที่ยวกับเอิร์นนี่ใช่ไหมมาวันทามองชายหนุ่มด้วยความทึ่งอีกครั้งพี่แตรรู้ได้ยังไงคะหลักการสังเกตง่ายๆเอิร์นเพิ่งบอกพี่ว่า น้องจ้าอดอาหารมาหลายวันร่างกายอ่อนเพลียถึงช็อกหมดสติไปแล้วเอินเองก็มีร่องรอยของความเศร้าหมองอมทุกข์บางอย่างอยู่กับน้องจ้าขอโทษนะที่พี่พูดตรงไปตรงมาเพียงแต่อยากบอกว่าถ้าหวังให้เขาฟื้นความจําโดยเร็วเหมือนดัดความบิดเบี้ยวให้กลับเข้ารูปก็ควรใช้คําตรงอ้างถึงความจริงมากที่สุดหลีกเลี่ยงการพูดอ้อมคอมทั้งหลายเช่นคําว่าเที่ยวในความรู้สึกของเราอาจผิดจากข้อเท็จจริงเพียงนิดเดียว แต่ในหัวของน้องจ่าที่กำลังว่างเปล่าขณะ น, นี้จะปรุงแต่งสับสนเกินเราๆคาดไปมากมาวันทาฉุกใจเห็นตามอมริตกล่าวแล้วก็ลอบบีบมือตนเองแน่นด้วยความระแวงว่าเขาจะล่วงรู้เกินเลยจนถึงเรื่องลับระหว่างหลอนกับลานดาวจะด้วยศิละปะความช่างสังเกตคนแบบจิตแพทย์หรือความสามารถพิเศษประการใดก็ตามแต่เออเห็นอิทธิพลของการพูดที่อ้างอิงแต่สัจจะความจริงเลยนะคะ คำพูดเท็จจริงมีผลแปลงจิตใจให้บิดเบี้ยวหรือเที่ยงตรงได้อย่างที่เรานึกไม่ถึงว่าแต่ถ้าเราพูดเรื่องที่เป็นทุกข์ชวนให้เศร้าหมองไม่ยิ่งไปทำให้จิตใจเขาแย่ลงหรือตอนนี้ทุกเดียวของน้องจ๊ะคือการสูญเสียความทรงจำเท่านั้นแหละเอิญดังนั้นต่อให้ใช้ความทุกข์ที่เคยหนักสุดรับไม่ได้ที่สุดมา ก, กระตุ้นเตือนให้ความจำกลับมาก็ไม่ใช่เรื่องน่าหลีกเลี่ยงอะไรแต่หากเลือกได้ลองขุดเอาความทรงจำดีๆแบบที่เราเล่าได้ตรงไปตรงมา ก็จะทำให้เขาฟื้นคืนด้วยสภาพจิตที่เป็นสุขแบบเดียวกับตื่นจากฝันดีก็ย่อมยิ้มยา ม, มีชีวิตชีวากว่าตื่นจากฝันร้ายตกลงค่ะพี่แตรแเอิญจะระมัดระวังเรื่องการใช้คำไม่ให้เพี้ยนจากความจริงและคัดเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องดีๆมาพูดเข้าหูจ้ะมีทฤษฎีของคนเชื่อเรื่องภพชาติอยู่อันหนึ่งนะคือการลืมเลือนอดีตชาติอาจใช้กลไกเดียว ก, กันกับโรคความจาเสื่อมนี่เอง เช่นตอนเกิดกับตอนตายมีกระบวนการทางสมองหรือกระบวนการทางจิตวิญญาณที่ลี้ลับมาลบความทรงจาออกไปหมดซึ่งก็คล้ายกับน้องจะช็อกแล้วความจำเลือนหายเพียงแต่จะรู้สึกอยู่ร่างๆว่ามีอดีตที่ฝังลืมและจะลืมอยู่อย่างนั้นจนกว่าใครสักคนที่เคยผูกพันมากๆแวดเวียนมาให้เจอหน้าถึงเกิดความสะดุดใจคุ้นเคยเรากับเห็นอดีตกับปัจจุบันมาบรรจบกันแพทย์หญิงมาวรทาพยักหน้ายิม้ม แปลว่าถ้าเราสามารถเล่าเรื่องในอดีตชาติให้ใครๆฟังบอกถูกว่าเขาเคยเป็นใครชื่ออะไรความทรงจําต่างๆก็จะทยอยกลับมาเองอย่างนั้นใช่ไหมคะเคยมีการทดลองเหมือนกันนะเอาพวกคนทรงเจ้าหรือผู้มีความสามารถทางในมาบอกอาสาสมัครว่าเคยเป็นนั่นเป็นนี่ในชาติใกล้ผลคือบางคนคุ้นหูทันทีบางคนเก็บไปฝันเป็นตุบเป็นตะบางคนพยายามคิดตามอยู่นานกว่าจะเริ่มนึกออกทีละน้อยไม่รู้ล่ะว่าคนบอกเห็นจริงหรือเปล่า สรุปให้ง่ายตอนคนเราเสื่อมจากความจำในอดีตหัวกำลังว่างเปล่าถ้าถูกป้อนข้อมูลแบบไหนสมองก็จะประมวลผลแบบนั้นกรณีของน้องจ้าจึงไม่น่าเป็นห่วงเพราะกำลังอยู่กับคนที่รู้เรื่องจริงของเขาและเคยมีความผูกพันสนิทแน่นแฟนมาวรนทาพยักหน้าเกิดความเข้าใจและสบายใจมากขึ้นขณะเดียวกันก็คิดเล่นเล่นว่าอย่างนี้น่าใส่ข้อมูลใหม่ล้างสมองเสียเลยว่าที่ผ่านมาลานดาวรักกับหลอนฉันพี่น้องท้องเดียวกันโดยตลอด ไม่เคยรักอย่างมีมนทินแบบอื่นใดกำลังคิดเพลินๆก็ได้ยินอมริตถามคนเราเชื่อเรื่องพบชาติกันเพราะอะไรมากที่สุดรู้ไหมเอินไม่แน่ใจค่ะความรักไงการพบใบหน้าอันเป็นที่รักและคุ้นเคยสนิทโดยปราศจากเหตุผลต้นปลายในชีวิตปัจจุบันมาอธิบายนั่นแหละทำให้คนเราจำเป็นต้องเชื่อลึกๆว่านั่นคือบุพเพสนิวาส สรุปคือถ้าน้องจ่าได้อยู่กับคนที่เขาเคยรักสุดชีวิตก็พอหวังได้ว่าความทรงจําทั้งหลายจะฟื้นเร็วเป็นพิเศษเพราะมีกระแสความคุ้นเคยนําร่องอยู่ก่อนหรอคะแพทสาวยิ้มเจริญแล้วเซหันไปรูปศีรษะปลอบน้องอย่าห่วงเลยนะคิดเสียว่าจ่ากำลังฝันเดี๋ยวก็ตื่นใช่แล้วเป็นแค่ฝันหนึ่งหรือเป็นอีกชาติหนึ่งก็มีค่าเท่าเทียมสําหรับผู้ไม่หลงเหลือความทรงจําต่างกับฝันยามนิตราก็เพียงยังมีร่างกาย ลมหายใจและโอกาสระลึกชาติได้ง่ายขึ้นเท่านั้นสัมผัสอ่อนโยนแสนสนิทของมาวันทาทําให้ลานดาวกล้าเอ็นศรีรษะเข้าอิงไหล่และกอดรวมลๆอย่างใจปรารถนาครั้งแรกที่เห็นหน้าพี่เอิญจ้าบอกตัวเองว่านี่คือคนที่จ้าเคยรักและเทิดทูนที่สุดการใช้คําของลานดาวทําให้มาวันทาตะแคงหน้ามองอย่างสะดุดหูเพราะลานดาวชอบพูดแบบนี้บ่อยๆนี่จ้ะจําพี่ได้หรือยังอย่างเสียงด้วยความระทึกจ้าจาได้ว่าจ้ารักพี่เอิญค่ะ ลานดาวตอบอย่างซื่อตรงต่อความรู้สึกภายในขณะแห่งความลืมว่าตนเป็นใครมีความสำคัญแค่ไหนใจจะไวสัมผัสกว่าปกติหลายเท่าเพราะทุกพบทุกเสียงล้วนเข้าประท้าสำนึกรับรู้ตรงๆโดยปราศจากสิ่งขวางกัน้นเช่นอคติและทิฏฐิมานะแม่น้อยเท่ายยองใหญ่อมริตได้ยินลานดาวกล่าวเช่นนั้นก็อมยิ้มกล่าวแทรกเห็นไหมล่าเอิญแรงประทับของรักมีน้าหนักขนาดไหน เมื่อมาวันทาเห็นว่าความรักอาจเป็นสิ่งดึงดูดความทรงจําเดิมกลับมาได้เร็วดังที่นายแพทย์อมริดกล่าวไว้จึงพยายามใช้ทั้งภาษากายคือการโอบกอดและภาษาใจผ่านคําพูดนุ่มนวลทว่าหนักแน่นสําหรับพี่ต่อให้จ้าต้องเป็นบุคคลไร้ความสามารถไม่อาจฟื้นความจําและไม่มีใครต้องการอีกพี่ก็พร้อมจะเอาจ้ามาเลี้ยงไว้เองความทรงจําเกี่ยวกับจ้าที่พี่มีอยู่เพียงพอแล้วสําหรับความเต็มใจดูแลจ้าไปจนชั่วชีวิตที่เหลือ พอพูดเองก็ทําให้เกิดจินตนาการเองมาวันทานึกถึงสาวน้อยแบบบางแสนซื่อน่าสงสารที่จะปรากฏตัวในบ้านหล่อนตลอดไปแล้วใจหนึ่งก็นึกอยากให้เป็นเช่นนั้นจริงๆหล่อนกอดน้องแน่นขึ้นลานดาวผู้ไร้พิษสงอาจเป็นน้องที่หล่อนจะรักจนใจแทบขาดพิศวาสยิ่งกว่าลานดาวผู้แผลงฤทธิ์เก่งเป็นไหนไหนลานดาวอยู่ในสภาพเด็กแบะบอกที่ต้องการการประครบประงมเอาแต่กอดมาวันทานไม่ปล่อย ซึ่งนั่นเป็นสัมผัสที่ไม่ทําให้มาวันทาราคาหรือรู้สึกผิดอีกต่อไปถ้าหากความจําของจ้ากลับมาเขาจะลืมช่วงเวลานี้ไหมคะพี่แตรถ้าอีกเดี๋ยวหลับลงแล้วตื่นขึ้นด้วยการกลับเป็นน้องจ้าคนเก่าก็อาจลืมช่วงเวลาที่ความจําเสื่อมทบทวนแล้วนึกออกรางเลือนเฉพาะช่วงเห็นรถบรรทุกวิ่งเข้ามาขยี้รถเขาแต่หากอยู่ดีๆความจําเขาฟื้นคืนขณะกําลังตื่นเหมือนเยน็นนี้ก็อาจเชื่อมกันติดแบบเดียวกับคนตื่นนอนที่ระลึกได้ว่า เมื่อหวินาทีที่แล้วเพิ่งฝันอะไรมาถ้าหลายวันแล้วความจำยังไม่ฟืน้นเคสแบบนี้พี่แตร์สะกดจิตได้ไหมคะก็คงต้องลองดูเอิญมองแง่ดีไว้เถอะความจำเสื่อมชั่วคราวของบางคนจัดเป็นบทเรียนเล็กๆที่จะนำไปสู่ความเข้าใจชีวิตมากขึ้นเอิญเราไม่ถูกหรอกว่าตอนเรามองโลกด้วยใจที่ปลัสจากความจาชีวิตปรากฏต่างไปขนาดไหนเห็นจากยายจ๊ะก็พอนึกออกข่าวว่าต่างอย่างไร จิตแพทย์หัวก้าวหน้าบางคนมองด้วยซ้ำว่ า, าการทางจิตหลายๆอย่างเป็นเพียงวิธีพิเศษที่ผู้ป่วยสร้างขึ้นเพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ทนอยู่ต่อไปไม่ไหวอีกแล้วความหมายของการเอาตัวรอดเป็นเรื่องหลึกซึง้งในธรรมชาติไม่เคยมีทางตันแต่บางทางออกอาจต้องผลจากสภาพตัวตนแบบเก่าๆมาวันทาคิดตามคำพูดเกี่ยวกับทางออกที่ผลสภาพตัวตนของอมริตทำให้นึกถึงอุปทานในอัตตาซึ่งเป็นคำสอนเชิงผุดขึ้นมา สิ่งที่เกิดกับจารในคลังนี้ทําให้เอินรู้สึกว่ามนุษย์เรามักมีอันเป็นไปให้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเช่นใหญ่จากกลิสลบให้กับอุปท า, านของตัวเองแท้ๆทั้งที่ความจริงเอิญไม่ได้นั่งอยู่ในรถอาจจะทํานองเดียวกับที่พระพุทธองค์ชี้ว่าเราต้องร้องไห้จนน้าตาเท่ามาหาสมุทรก็เพราะอุปท า, านว่ามีตัวเราทั้งที่เรื่องจริงไม่เคยมีเราอยู่ตรงไหนตั้งข้อสังเกตเช่นนั้นเพราะหวังจะได้ฟังมุมมองจากอมริดบ้างหากเขามีใจอยู่กับพุทธ แต่กลายเป็นเขานิ่งเฉยแบบไม่มีความเห็นต่างฝ่ายจึงต่างเงียบไปอมาลิดมองตรงทําหน้าที่ขับรถส่วนมาวันทาพอเห็นลานดาวพลอยหลับก็เหมือนหมดหน้าที่จึงหันไปมองข้างทางคิดถึงความวุ่นวายในช่วงหลังนึกในใจเงียบๆว่าชีวิตมนุษย์เป็นการเผชิญภัยอันน่าหน็ดหน่ายไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาแต่ละชาวต้องพบเจอกับใครหรือสถานการณ์ใดบ้างภายในวันนั้นพักใหญ่ต่อมาสองสายตาก็โคจรมาสบกันผ่านกระจกมองหลังโดยบังเอิญ เกิดสัมผัสทางใจจังๆราวกับคนคุ้นเคยมาเนิ่นนานแต่ในที่สุดอามริดก็เป็นฝ่ายเบนวิธีตาไปแลตรงตามเดิมขณะที่มาวันทา ย, ยังมองเซี่ยวหน้าของเขาผ่านกระจกเงานิ่งพี่แตรเป็นพุทธหรือเปล่าคะอามริดกระแอมเล็กน้อยกับคำถามชวนสนทนานั้นส่วนหนึ่งคิ้วก่งเลิกขึ้นเล็กน้อยใช่หรือไม่ใช่พุทธนี่มีแบ่งเป็นส่วนๆได้ด้วยหรือคะคือโจทย์ชีวิตของพี่อาจยังไม่ตรงกับโจทย์ของพุทธ หรืออีกทางหนึ่งอาจเพราะยังไม่เคยเจอใครในแวดวงพุทธที่ทําให้พี่สนิทใจว่าเขาเป็นตัวแทนตอบคําถามให้พุทธได้ที่ผ่านมาพี่สมัครใจเลือกเป็นคนไม่มีาศาสนาไปพลางๆขอเป็นนักศึกษาที่ปราศจากกรอบความเชื่อโบราณโบราณหรือแม้ความรู้ยุคใหม่มาเป็นข้อจํากัดแม้แต่จิตวิทยาศาสตร์ที่พี่เรียนจบมาใช่พี่ไม่อยากยอมให้อะไรมาตีกรอบเลยสักอย่างแต่นี่ไม่ได้ไหมายความว่าพี่มีคติหรือคิดทรยศอาชีพตัวเองนะพี่ก็อยู่ใต้กฎเกณฑ์ และระเบียบการรักษาคนไข้าตามที่ร่ำเรียนมาเหมือนจิตแพทย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีสิทธิ์จ่ยายยาและบอกแนวทางฟื้นฟูจิตใจแก่คนไข้ตอนอยู่ในคลินิกพี่จะไม่พูดถึงแนวทางรักษาที่ต่างจากการแพทย์สากลยอมรับเขาเล่าอย่างเปิดเผยแบบพร้อมคุยยาวมาวันทาชักสนใจแล้วตอนอยู่นอกคลินิกล่ะคะพี่อาจสนใจศึกษาวิธีบำบัดโรคด้วยพลังจิตพลังปรานพลังอั ญ, ญมณีการกดจุดและอื่นๆเผอิญช่วงเด็กโชคดี มีสินแสข้างบ้านสอนให้ด้วยความเอ็นดูความรู้และประสบการณ์รักษาโรคหลากหลายเลยผ่านเข้ามาสั่งสมในตัวพี่ตั้งแต่เล็กและทําให้พี่มองการมีสิทธิ์สั่งยาแผนปัจจุบันเป็นเพียงความสามารถส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดทําไมพี่เลือกเป็นจิตแพทย์คะคงเพราะมองว่าส่วนนี้ของแพทย์แผนปัจจุบันทา้าทายที่สุดและมีสิทธิ์ช่วยคนได้ลึกลงไปถึงรากความรู้สึกนึกคิดของเขาเมื่อกี้พี่แตรบอกว่าสนใจการบําบัดโรคด้วยพลังจิตด้วย ซึ่งถ้ามีพลังจิตพอจะบำบัดโรคได้ก็แปลว่าต้องบำเพ็ญตะบะแบบใดแบบหนึ่งพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะได้ไม่ใช่ความลับอะไรหรอกเพียงแต่ถ้าบอกทั้งหมดเอิญจะมือนว่าตกลงพี่ฝึกแบบไหนแน่เอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันที่เขาว่าดังว่าดีว่าได้ผลสูงพี่ไปมาเกือบหมดแม้แต่เมืองนอกที่ใช้วิธีอธิฐานขอพรจากพระเจ้าก็เคยไปเข้ากลุ่มมาแล้วมาวนทามเม้มปากพยักหน้าน้อยๆใจกว้างจังนะคะ เปิดรับทุกอย่างจริงๆเอินพอจะเข้าใจล่ละถ้าถามพี่แตรว่าเป็นคลิสตหรือเปล่าพี่จะตอบว่าก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะอมรลิ์หัวเราะคงงันมัง้งสรุปว่าภาพรวมของชีวิตพี่แตรคือหมอแท้ๆขอให้รักษาคนได้เถอะไม่เกี่ยงเลยว่าจะเป็นความรู้จากสำนักไหนาศาสนาใดแผนปัจจุบันหรือโบราณใจดีจังเรื่องอยากช่วยคนก็ใช่แต่อีกส่วนก็คือความสนุกความพอใจในการเรียนรู้ด้วยนะนะ วันหนึ่งถ้าพี่อยากสนุกกับการศึกษาแบบคนลึกลงไปในสัตว์จากเกี่ยวกับจิตวิญญาณจริงๆพี่อาจอุทิศตัวไปอีกทางจะเอาแต่เรียนรู้ไม่คิดมีครอบครัวบ้างหรือคะมาวันทาเริ่มเลียบเคียงก็เคยแต่ชีวิตพี่รักการสแสวงหาความรู้มาตั้งแต่เด็กเหมือนเป้าของการเกิดมาคือเรียนเพิ่มไปเรื่อยๆไม่ใช่เน้นหาคู่เลยทําให้พี่เห็นว่าถ้าเลือกคู่ผิดก็อาจหมายถึงการเสียเวลาช่วงหนึ่งในชีวิตไปเปล่าๆ แทยหญิงนิ่งฟังอดเปรียบเทียบกับน้องสาวไม่ได้ชีวิตลานดาวแทบจะเกิดมาเพื่อสแสวงหาความรักโดยเฉพาะไม่ยินยอนสนใจเรื่องไปเรียนต่อเรื่องงานการหรือกระทั่งเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านร้านถิ่นขอให้พลิกแผ่นดินหารักจนเจอเถอะไม่คํานึงถึงอะไรทั้งนั้นมาวันทาตระหนักว่าตนไม่อาจรู้จักอมริดด้วยการได้ยินคําตอบจํากัดจําเขี่ยจากการสนทนาครั้งเดียวทราบแต่ว่าคนเก่งจัดมักชอบเป็นกระบฏ ท, ทางความคิดและหล่อนก็รู้สึกว่า อมริดมีมิตกิกว้างยาวลึกทางความรู้กับประสบการณ์เหนือคนทั่วไปมากแถมเป็นคนหน้าพิศวงที่มีทั้งความเปิดเผยเข้าถึงง่ายในรอยยิม้มกับความลึกลับสุดอย่างในแววตาควบคู่กันเรียกว่ารอยยิ้มหน้าคบแววตาน่าค้นหามีทั้งลักษณะของทูตที่พร้อมจะเสริมกําลังใจให้ใครแขกขณะเดียวกันก็มีพลังของนักปฏิวัติที่พร้อมจะพังกรอบจํากัดเดิมออกไปค้นหาสิ่งใหม่ด้วยความเชื่อมั่นเกินร้อยมองมองเขาแล้วหล่อ น, นึกอย่างไรไม่ทราบ จึงพูดออกไปเกือบตรงๆเอินอยากให้พี่แตรรู้จักจ้าตอนปกติจังค่ะเขาน่ารักนะคะกล้าพูดเลยว่าเป็นผู้หญิงสเสน่ห์แรงที่สุดในโลกคนหนึ่งลานดาวตื่นจากหลับเอาเกือบถึงกรุงเทพมาวันทาภาวนาให้น้องสาวจําความได้เสียทีลอนถามชื่อนามสกุลมหาวิทยาลัยที่ศึกษาและอื่นๆเป็นการทดสอบผลปรากฏว่าเหมือนเดิมคือลืมหมดเกลี้ยงจําได้อย่างเดียวพูดได้เรื่องเดียวเหมือนหุ่นยนต์กระป๋องยุคอัดเทปเล่นซ้าไปซ้ามา คือจะรักพี่เอิญซึ่งพอฟังเหมือนนกแก้วนกขุนทองหลายเที่ยวเข้ามาวันทาก็ชักนึกรำคาญแทนความปลื้มใจเหมือนแต่แรกทานข้าวกลางวันแบบง่ายๆกันที่ร้านใกล้บ้านลานดาวในสภาพสมองบกพร่องกลายเป็นคนกินง่ายสมัครใจตักอาหารใส่ปากเองด้วยความหิวโหยดูแล้วน่ารักน่าสงสารกว่าตอนดื้อด้านอดข้าวปลืถ้วงเป็นอันมากหลอนตั้งหน้าตั้งตา ก, กินเอากินเอาแบบไม่ปิดบังความหิว แต่ขณะเดียวกันก็ยังสำรวมท่าทีเยี่ยงคุณหนูจากบ้านผู้ดีเก่าไว้ได้ด้วยขณะรอบมองลานดาวในร้านอาหารมาวันทาถามตัวเองขึ้นมาว่าตัวตนของลานดาวที่หล่อนรักอยู่ตรงไหนกันแน่บุคลิกความรู้สึกนึกคิดวิธีพูดจาตลอดจนความทรงจําทั้งหลายสลายไปหมดแล้วแต่เหตุใดหล่อนจึงยังรักน้องสาวคนนี้อยู่เหมือนเดิมอาจเป็นรูปร่างหน้าตาหน้าหลงไหลหรืออาจเป็นเยื่อใยความรักความผูกพันที่ยังฝังแน่ในในใจหล่อนกระมัง นึกถึงบุญที่ทําร่วมกันตอนเช้าความสว่างความอบอุ่นในบรรยากาศสารเมตรีเช่นนั้นไม่จําเป็นต้องอิงสิ่งใดอื่นก็เป็นดุลสายใหญ่เชื่อมใจให้ผูกกันแน่นแฟนได้แล้วสายสัมพันธ์ทางใจบางครั้งพ้นไปจากรายละเอียดความทรงจําต่างๆถ้าเคยทําให้รักได้ก็จะรักอยู่อย่างนั้นเองไม่ต้องขุดคุยหาเหตุผลให้มากว่าเพราะอะไรเหตุการณ์ไหนบันดาลให้รักเช่นนี้เองแม้ความทรงจําเกี่ยวกับตัว ต, วตนเจรอนแล้วแต่สายใหญ่ก็ยังไม่จางไปไหน ออกจากร้านอาหารกลับเข้าบ้านลัตทีออกไปนานแล้วเพื่อทำหน้าที่นำนกเหล็กทะยานขึ้นฟ้ามาวันทาต้องไปขอกุญแจจากเพื่อนบ้านซึ่งลัตทีบอกทางโทรศัพท์ว่าจะฝากไว้ที่นั่นเจ้าของบ้านสาวพาแขกมาที่ห้องดนตรีแน่นอนว่าหลอนมีจเจตนาใช้เครื่องดนตรีเป็นสื่อเหนียวนําความจําของลานดาวกลับมาจะเล่นเปียโนโมาตั้งแต่ตัวกระเปียกไปแข่งขันได้รางวัลมาเป็นกระบุงโกยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าลงนั่งหน้าเปียโนโพี่รับรองว่าจะต้องเล่นได้ปล้อ ของตายแบบนี้มาวันทาทำนายรวบรัดเสร็จสับก่อนจุงมือลานดาวมานั่งแป้นเปิดฝาครอบเปียโ น, โ, นโชว์8ปดสิบดขีเข่าให้เห็นโดยมีอมริตยืนสังเกตการอยู่ห่างๆทุกคนหวังเห็นความอัศจรรย์นในระบบการทํางานของสมองที่ความจําจะวาบกลับมาทันทีทันใดเมื่ออยู่ตรงหน้าเครื่องดนตรีชิ้นโปรดลานดาวบังเกิดความตื่นเต้นกับความคาดหมายทั้งของตนเองและคนอื่นหลอนพยายามเพ่งจ้องพยายามวางสองมือ ข อ, อนิ้วลงบนบางขีซึมซับรับสัมผัสการยุบของกระเดื่องที่มีกลไกส่งต่อไปเคาะสายให้เกิดเสียงตองแตงบางขณะลานดาวเริ่มคุ้นอยู่บ้างกับสำเสียงและสัมผัสแต่ทว่าด้วยความตื่นเต้นผสมกับการลงนิ้วทีละเคาะทีละแคะไม่ทําให้เกิดการเข้ารหัสเดิมเช่นเมื่อครั้งสามารถพรมนิ้วประสานกันรี่เร็วราบรื่นความคุ้นก็ปรากฏเป็นเพียงพยับแดดลิบลบที่เมื่อพยายามเข้าใกล้แล้วเลือนลงเป็นสายแห้งแล้งแทนบ่อน้ำลวงตา พยายามอยู่เกือบ20นาทีมาวันทาทั้งลองเอาโนต้ตมาตั้งทั้งบอกชื่อเพลงที่ลานดาวเคยเล่นประจำํำจนอดีตนักเปีย โ, โนมือทองเริ่มทําหน้าเคร่งเครียดและมาวันทาไม่เห็นวี่แววว่าจะสําเร็จแน่แล้วก็ชวนให้เลิกพยายามชั่วคราวหยุดพักผ่อนก่อนลานดาวมีสีหน้าแลแววตาเศร้าหมองน่าสงสารหลอนกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าจะกลายเป็นบุคคลไร้สมรรถภาพตลอดไปมาวันทาเองเห็นแล้วก็ทอตามและนึกตัวขึ้นมาวูบวูบวับวับวบเหมือนกัน จะทำอย่างไรในเมื่อของมันจําไม่ได้นึกไม่ออกอยู่อย่างนี้มองไปมองมาหนักใจกระทั่งต้องแตะแขนอมริตขอออกไปคุยด้วยในห้องครัวและบอกให้ลานดาวนั่งรอในห้องดนตรีไปก่อนสองหมอมายืนเงียบเชียบในครัวเกือบครึ่งนาทีฝ่ายหนึ่งยังใจเย็นแต่อีกฝ่ายชักใจร้อนและเสียงเริ่มปล่าเท่าที่เอิญทราบผู้ป่วยความจาเสื่อมชั่วคราวนี้ถ้าได้กลับมาสัมผัสกิจกรรมถนัด มักเรียกวิธีคิดหรือการทํางานของสมองแบบเก่าๆให้กลับมาเข้าที่เข้าทางได้ไวไม่ใช่หรือจะเป็นมือเปียโ น, โนระดับพระกาลทีเดียวนะคะเก่งขนาดเล่นสดจากการอ่านโน้ตเมื่อแรกเห็นแถมแต่งเพลงเองได้เพลาะด้วยอย่าเพิ่งเป็นทุกข์สิเอินเท่าที่พี่เห็นเมื่อกี้คือความคาดหวังมากเกินไปเริ่มจากเอินแล้วแพร่ไปถึงจ๊ะเขาทั้งเค้นทั้งตื่นเต้นหาความสบายใจไม่ได้เลยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนพยายามดูลายมือกันในห้องมืดดูยังไงก็ไม่เห็นหรอก ต้องเปิดม่านเปิดหน้าต่างให้โปร่งโล่งเสียก่อนหัวคิ้วของมาวันทาคลายออกแล้วเมื่อกี้ทําไมพี่ตรายไม่ห้ามเอินละคะเอินพูดออกไปแล้วเขาเกรงกับความคาดหวังไปแล้วเอาน่ะเดี๋ยวลองใหม่หาอะไรที่มันแหวกแนวจากเปียโนเพราะตอนนี้จะเชื่อว่าเขาเล่นเปียโนไม่เป็นแล้วละ่ะชุดความจําเกี่ยวกับเปียโนถูกเก็บแบบใส่หีบลงล็อกสนิทเอินแปลกใจจังคะ่ะ น้าเอินเขาก็เห็นแล้วบ้านที่เคยครุกคลุยตั้งหลายเดือนก็มาถึงแล้วเปียโ น, โนที่เคยเล่นได้เหมือนโชแปลงกลับชาติมาเกิดก็ลองสัมผัสแล้วทําไมยังจําไม่ได้อีกชักสงสัยว่าแกล้งอําหรือเปล่าอมริทหัวเราะเขาไม่ได้แกล้งหลอกเอินจังหวะไหนเคลื่อนไฟฟ้าในสมองแปรปรวนผิดปกติก็จะส่งผลให้สมองรวนไปชั่วคราวเหมือนเครื่องไฟฟ้ามันช็อตอยู่ข้างในเราดูตาเปล่าเห็นตัวถังข้างนอกยังดีๆอยู่ก็นึกว่าไม่เห็นน่าจะเสียได้ ฟังจิตแพทย์หนุ่มเปรียบเทียบให้เข้าใจแล้วมาวันทาค่อยสงบลงได้อมริทอธิบายต่อความจริงถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆเช่นบ้านของเขาเองน่าจะช่วยให้ความจําฟื้นเร็วขึ้นแต่พอพี่จะเอาตัวไปส่งเอินก็ยังไม่อยากให้พ่อแม่เขาเจอในสภาพอย่างนี้จะลองเอามาปลุกความจําดูเองก่อนเผื่อฟลุกเอินเป็นคนใช้คํานี้เองนะเผื่อฟลุกหนะ่ะแล้วไงตอนนี้ถึงต้องเดือดร้อนเพียงเพราะปฏิหารไม่เกิดเร็วทันใจเล่า จริงค่ะเอิร์นอยากลองดูเองก่อนเพื่อหายเสียที่นี่สรภาพตามตรงว่าไม่อยากเสียเครดิตพาลูกเขาไปไหนแล้วเออกลับมาอย่างที่กําลังเป็นแม้จะไม่ใช่ความผิดของเอิร์นก็ตามอืมดูก็รู้ว่าพ่อแม่น้องจาคงเลี้ยงมาแบบไข่ในหินหมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมพอเห็นอยู่ในสภาพบ้องแบลวอย่างนี้คงตกใจหน้าดูไปหัวหินมาคืนเดียวอมาลิดตั้งใจผ่อนคลายความตึงเครียดและคําพูดของเขาก็ทําให้มาวรรทาอดคําไม่ได้สีหน้าผ่อนคลายลงบ้าง คุณพ่อจ้าเน่ยใจดีค่ะเข้าใจอะไรทุกอย่างแบบมองโลกด้วยใจกว้างมากเน้นสอนให้คิดเป็นเท่านั้นจ้าขอไปไหนค่อนข้างปล่อยแต่คุณแม่เขาค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็คุมแจนี่เพิ่งตอนจ้าเรียนปีสุดท้ายนั่นแหละถึงอนุญาตให้ไปไหนมาไหนหายใจหายคอสะดวกขึ้นงั้นลองอีกสักตั้งแล้วค่อยเอาตัวไปส่งแต่เอินอย่าหวังมากนักนะอธิบายพ่อแม่เขาเท่าที่เรื่องสุดวิสัยมันเกิดถ้าเครื่องก็คงเดียวเดียวพอจ้าหายดีแล้วก็ลืมลืมกันเอง ถ้านะคะถ้าจะไม่หายรอสักอาทิตย์หนึ่งหากยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ต้องส่งโรงพยาบาลจะได้สืบหาต้นตอความผิดปกติที่แท้จริงซึ่งอาจเป็นระบบสมองจะได้ดูแลด้วยวิธีการทางจิตบําบัดต่อไปญาติๆอาจเจ็บปวดหน่อยนะแต่นั่นก็คือสิ่งที่ต้องทํายังไงตอนนี้มองแง่ดีตามพี่ดีกว่าณเอิญน้นองจะไม่มีอาการชักไม่มีอาการกระตุกหลังช็อกแสดงว่าไม่มีความผิดปกติของคลื่นสมองขนาดต้องเตรียมใจมองในแง่ร้ายขนาดนั้นหรอก ตรึกตรองเป็นครู่ก่อนกล่าวสืบต่อระหว่างอาทิตย์นี้อย่าให้ต้องกังวลหรือเครียดดี๋ยว ก, ก่อนจะพาไปส่งบ้านก็ควรโทรบอกพ่อแม่ให้รับทราบล่วงหน้าและทำเฉยเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอธิบายด้วยว่าความห่วงออกนอกหน้าจะยิ่งทำให้จักกระวนกระวายหนักเข้าไปใหญ่พูดถึงเรื่องกังวลถ้าวันสองวันนี้เห็นหนักนักก็พาไปหาพี่ที่โรงพยาบาลและพี่จะจ่ายยาประเภทคลายกังวลให้เขาดีขึ้นค่ะเอินจะทำใจมองแง่ดีตามที่แตรแนะ ว่าแต่พี่แตร์เสียเวลากับเรามากเลยถ้าจะกลับไปทําธุระอื่นก็ตามสบายนะคะที่เหลือเอิญดูแลเองได้แล้วนี่คือไล่หรือเปล่าเปล่าค่ะเกรงใจพี่แตรจะแยกต่างหากช่างเถอะพี่เต็มใจนี่งั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเอิญจะลองเล่นฟลูดให้จ่าฟังดูเลือกเพลงที่เขาชอบขอให้เอิญเล่นถ้ายังไม่หายอีกก็คงต้องโทรเรียนคุณพ่อคุณแม่ของจาตามจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อเตรียมใจแล้วค่อยพาไปส่งบ้านพี่เอิญคะ สองแพทย์ชะ ง, งักคำปรึกษาหันไปทางต้นเสียงอย่างตกใจเห็นลันดาวยืนเกาขอบประตูห้องมองมาวันทาตาละห้อยจ้าไม่อยากไปไหนไม่อยากเจอพ่อแม่ไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วพี่เอิญให้จ้าอยู่กับพี่เอิญที่นี่ได้ไหมคะทีแรกมาวันทานึกเครืองแม่หนูน้อยตัวปัญหาที่เสียมารยาทแอบฟังผู้ใหญ่คุยกันทั้งที่สั่งให้นั่งรอในห้องดนตรีแต่พอเห็นเงาร่างหมองสะท้อนจิตใจที่อยู่ในสภาพสมสารมาวันทาก็คลี่ยิ้มปลอบ แลรีบเดินเข้าไปหาถ้าเปลี่ยนเป็นให้พี่ไปดูแลที่บ้านจ้าจะดีกว่าไหมเพราะพี่เอิญต้องทํางานแล้วพ่อแม่ของจ้าก็คงไม่ยอมปล่อยลูกสาวสุดรักสุดห่วงไว้ที่บ้านคนอื่นหรอกล้านดาวช้อนมองพี่สาวด้วยในตาชอกชำ้ำจ้าไม่ได้แกล้งจะไม่อยากเป็นอย่างนี้จ้าจาอะไรไม่ได้เลยจริงๆจ้าไม่อยากเป็นตัวตลกให้ใครหัวเราะแล้วก็ไม่อยากทําให้ใครตกใจค่ะพี่เอิญหยาดน้ําตาไหลออกมาสองสายทําให้มาวันทาเริ่มใจเสีย เพราะตอนเป็นคนหลุดปากพูดโดยไม่ทันระวังว่าน้องจะมาแอบฟังจนทําให้คิดมากอย่างนี้น้าพี่พูดเล่นไปอย่างนั้นแหละถ้านึกว่าจ๊ะจาได้แล้วแกล้งอําจริงๆป่านนี้แกล้งกลับด้วยการหยิกเราเนื้อขาดนานแล้วไปเถอะเดี๋ยวพี่จะเป่าฟลุตให้ฟังเพลงที่จะเคยชอบยังนึกไม่ออกก็ช่างพี่จะเป่าให้ฟังทุกวันจนกว่าจะจําได้ดีไหมลันดาวนิ่งอันก่อนจะรับเบาๆในที่สุดค่ะแล้วหล่อนก็ยกมือข้างหนึ่งปิดหน้า ปล่อยโฮออกมาอย่างคนสิ้นไร้หนทางมาวันทาเห็นเช่นนั้นก็รังร่างอีกฝ่ายเข้ามากอดทำตาแดงๆตามแต่สะกดอารมณ์ไม่ให้สะอื่นไปกับน้องเพราะเหมือนจะยิ่งพลอยทําให้บรรยากาศสิ้นหวังก่อดตัวแจ่มชัดกว่าเก่านานจนลานดาวสะอื้นแผ่วลงและดึงกายออกจากอ้อมกอดของพี่สาวเพื่อถามพี่เอิญบอกจ้าตามตรงเถอะถ้าจ้าไม่หายจริงๆจ้าจะถูกส่งไปอยู่โรงพยาบาลคนบ้าหรือเปล่าคะไม่หรอกครับจ้าพี่รับรองว่าอาการของจ้าจะหายเองเร็วๆนี้ อมริตเป็นคนตอบสำนึกผิดและละอายที่เมื่อครูหลุดบางคำที่ลานดาวแอบฟังแล้วอาจทำให้นึกว่าเขาเห็นหลอนเป็นตัวตลกเช่นบอกว่าไปหัวหินคืนเดียวกลับมาหน้าตาบ้องแบวแถมเขาเป็นคนปล่อยความลับเกี่ยวกับการส่งตัวไปโรงพยาบาลอีกต่างหากฝ่ายมาวันทาก็ประคองไหลาลานดาวเปิดตาจ้องนิ่งขณะพูดนิ่มนวลชัดถ้อยชัดคาจ๊ะถ้ามีใครพาเธอไปที่นั่นพี่จะตามไปอยู่กับเธอเอง มาวันทาหมายความตามนั้นหล่อนจะไม่มีวันทิ้งน้องให้อ้างวางเดียวดายเลยใจจริงของพี่สาวที่เกาะกระแสรู้สึกอบอุ่นท่วมอกทําให้ลานดาวจุกแน่นคอหอยด้วยความตื้นตันปรีดาต้องโผลเข้ากอดอีกฝ่ายทางน้ําตาใจเหมือนจะขาดไปกับความซาบซึ้งรุนแรงบอกตอนเองว่าชะตากรรมจะเล่นงานหนักหนาเพียงใดก็ยอมตราบใดยังมีอ้อมอุ่นเยี่ยงนี้ไว้เป็นเรือนตายประลาปะโลมอีกพักใหญ่มาวันทาก็พาลานดาวกลับมาที่ห้องดนตรีอีกครั้ง คืนแรกที่จะมานี่เราเล่นเปียนโนกับฟลุตคู่กันจ้าเป็นคนเลือกเพลงด้วยการลงมือเล่นจิมโนพีเดียให้พี่เป่าตามมาวันทาเล่าพลางนํากล่องฟลุตมาเปิดประกอบชิ้นส่วนทั้ง3าเข้าด้วยกันระหว่างประกอบก็ส่งยิ้มสายให้ลานดาวเป็นการลำเลียงถ่ายไมตรีจิตไม่ขาดตอนและนั่นก็ทําให้ใจของลานดาวเบิกบานขึ้นลดความหดหู่ลงแทบสิ้นเมื่อฟลุตถูกประกอบสําเร็จเป็นเรายาวมาวันทาก็ยกขึ้นเริ่มเป่า โดยที่สายตาไม่ลัไปจากการสารศบกับน้องสาวลำนำเสนะ ก, กล่อมโลกให้สงบของจิมโนพีดีดังขึ้นท่ามกลางความเงียบที่เกิดจากอาการสดับของสองผู้ฟังในห้องมาวันทาขับน้ําหนักห้วงลมแรงเบาจากซวงอกอย่างตั้งอกตั้งใจใช้เป็นสื่อให้ระลึกถึงคืนแห่งความสุขแรกระหว่างกันในห้องดนตรีนี้คมเนตรงามรวมศูนย์อยู่ที่จุดเดียวคือดวงตารอนแสงสติของลานดาวเกิดความเชื่อขึ้นมาว่าพลังแห่งความรักที่เอือทนในตนสามารถเรียกน้องสาวคนเดิมกลับมาหาหล่อนได้ ในเวลาไม่นานเกินรอแม้จะเล่นเดี่ยวตามลําพังนักฟลุตสาวก็นึกถึงเสียงเปีย โ, โนของลานดาวไปด้วยเรากับมีลานดาวเล่นคลออยู่ในใจแววตาคล้ายเปล่งสัญญาณบอกอยู่เนืองๆว่าถึงตาลานดาวควรเล่นส่งให้หล่อนอย่างไรแล้วในตาพูดได้ของหล่อนคล้ายตัดพ้อในบางคลาว่าเหตุใดจึงปล่อยให้หล่อนต้องเล่นอยู่เดียวดายเพียงลําพังภาษาดนตรีทางใจที่ถ่ายทอดอย่างเงียบเชียบผ่านเสียงฟลุตทําให้ลานดาวค่อยๆเริ่มคุ้นขึ้นมาทีละชั้นนับจากสถานที่และบุคคล สำเนียงอ่อนโยนแห่งสันติภาพของเพลงที่เข้ากับบรรยากาศสงบสุขตลอดไปจนกระทั่งความประทับใจในลีลาทางกายอรชนสมส่วนของมาวันทาที่พลิ้วไหวได้เข้ากันลงตัวกับเครื่องดนตรีสีเงินแวววาวชิ้นยาวในสองมือกระทั่งเสียงเพลงจบลงเสียงปลบมือดังขึ้นแทนที่แล้วพร้อมกันนั้นลันดาวก็มั่นใจว่าหล่อนเคยเล่นฟลุดได้มาก่อนพี่เอิญคะจ้าเคยเป่าฟลุตเป็นไหมได้สี เก่งด้วยนะพี่สอนให้แค่ไม่กี่เดือนถึงขนาดเป่าเพลงยากๆเล่นคู่กับพี่ได้แล้วลานดาวลุกขึ้นยืนพี่เอินเป็นคนสอนจ้าหรือคะใช่เธอบอกว่าเครื่องเป่าเป็นศัตรูกับเธอมานานเพิ่งขิดเล่นก็เพราะอยากเป่าคู่กับพี่งั้นสอนจ้าอีกครั้งได้ไหมทําไมจะไม่ได้เริ่มกันเดี๋ยวนี้เลยนะ มาวันทาตอบทันทีอย่างไม่เหนื่อยหน่ายแม้ต้องสอนซ้ำอีกกี่ร้อยรอบหรือกี่ร้อยชาติก็ตามหล่อนก้าวมายืนเบื้องหน้าน้องสาวยื่นฟลุดให้ล้านดาวก้มลงมองระลึกได้ว่านั่นเป็นสัญญาณบอกความรักความสนิทใจไม่รังเกียจที่จะให้ใช้ของที่ต้องร่วมหายใจเดียวกันทำตัวตรงๆอย่าให้หลังงอต้องยืนในท่าที่จะได้หายใจสะดวกไว้ก่อนเอาล่ะยกฟลูดขึ้นถือไวอ้อย่างนี้ไม่ต้องเกรงคุณครูสอนวิธีสร้างรูปปาก ให้ส่งลมเป็นลำได้ง่ายหายใจเต็มๆแล้วเป่าคล้ายผิวปากลงไปตรงๆกะให้แทงเข้าบริเวณขอบบนของรูเป่าพูดซ้ำคล้ายกับที่เคยสอนมาก่อนจากนั้นจึงค่อยๆบอกวิธีกดกระเดื่องเพื่อบังคับให้ลมผลิตเสียงโน้ตที่ต้องการฟลุตเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องพึ่งลมหายใจเป็นหลักลานดาวหายใจตามคำสั่งของคุณครูอยู่ครู่หนึ่งก็เกิดสมาธิจากการรวมจิตเจากับการหายใจและเริ่มคุมจังหวะได้เป็นอัตโนมัติ พลังลมนั้นเองส่งผลกระทบใหญ่หลวงนับเริ่มจากผนึกสติให้ตั้งมัน่นส่งทอดถึงสัญญาณความจําที่จะระบายลมแล้วเชื่อมต่อไปยังรหัสกระเดื่องซึ่งต้องอาศัยการขยับประสานงานระหว่างนิ้วมือความคุ้นทยอยมาทีละชุดคล้ายทัพทหารที่ค่อยๆรวมพลเข้ากระแทกประตูเมืองลับแลอันถูกลั่นดานไวน้แน่นหนาจากที่เคยรู้สึกคล้ายยืนอยู่ท่ามกลางหุบเหวแห่งความลืมเลือนอันอ้างวางบัดนี้เหมือนกลับมาประชิดเมืองนอนโรมาโอลานดาวเพียนส่งลำลมวิเศษลงเลาฟลุต เพื่อปลุกสติตนเองทีละระลอกแปลกลุ่มนิ้วสลับตำแหน่งกดกระเดื่องที่คล้ายแผงรหัสปล่อยมนลขังมีอัตโนมัติในลํานิ้วผุดขึ้นมาเรื่อยๆและนั่นก็เหมือนดานประตูถูกกระทุงหนักเข้าเปราะบางมากเข้ากระทั่งเห็นรอยปลี่แตกชัดขึ้นทุกทีครั้งหนึ่งการหายใจเข้ายาวทําให้ระลึกได้ว่าหล่อนหายใจสั้นมาเสียนานพอสายลมยืดยาวขึ้นก็ฉุดกําลังเก่าๆให้ฟื้นตัวพลิกจิตเข้าทีเหมือนพลิกรถคว่ำให้หงายกลับขึ้นใหม่ บัตนั้นเกิดชุดความจำของการกดโน้ตต่างๆเพื่อบรรเลงจิมโนพีดี้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งมาวันทาบอกคล้ายเคลื่อนมาตามทางออกที่ถูกและพบว่าเงาไม้ในป่ารกกลับเบาบางลงแปลกตาน้อยลงคุ้นเขตใกล้พ้นป่ารำไรจากนั้นอีกคู่ใหญ่ก็ถึงวาระแรกแห่งความจำเกี่ยวกับตัวตนเมื่อระลึกได้ว่าขณะแห่งการเป่าฟลุต ท, ที่มีความรักล้นอกหล่อนจะช้ำเลืองแลทอดตาหวานประสานกับมาวันทาเสมอเมื่อจำวิธีช้ำเลืองส่งกระแสตาได้นั่นเอง มายากลอันมหัศจรรย์พันลึกแห่งสมองจึงเริ่มแสดงตัวเสมือนการรวมเศษแก้วชิ้นสุดท้ายมาปากเข้าได้รูปทรงชัดเจนด้วยกาวสติวินาทีแห่งความตื่นเต็มนั่นเองหมอกมืดแห่งความลืมพลันถูกขับไล่ให้ปราศนาการบรรดาลความสว่างเจิดจ้าขึ้นแทนที่อย่างเฉียบพลัน